จบการศึกษาวัดด้วยพัฒนาสีด้านทวนความเล็กน้อยว่าสิกขาคือการศึกษามีขึ้นไว้ให้คนเอามาปฏิบัติเพื่อจะได้พัฒนามัคคือมัคคาชีวิตพัฒนามัคเป็นคำบาลีว่ามักคะภาวนาคำบาลีภาวนา กลายเป็นภาษาบาลีว่าวัฒนาคือพัฒนานั่นเองผู้ที่จบการศึกษาแล้วก็เป็นสิกิตาสิกขาในวงเล็บศึกษศึกษาผู้ที่เสร็จการพัฒนามักก็เป็นภาวิตามักหรือภาวิตมักนี่ก็คือพระอรหันต์ซึ่งเป็นอเศษค่ะไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป คำทั้งหลายที่ว่ามานี้ไม่ต้องติดใจเพียงยกมาให้ดูผ่านไปเพียงแต่ขอให้สังเกตคำว่าภาวิตหรือภาวิตตะที่แปลว่าภาวนาแล้วคือพัฒนาแล้วย้อนมาดูสิกขาคือการศึกษาที่แยกสามด้านเป็นรายสิกขาได้แก่อธิศีลศิกขาอธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาซึ่งเรียกสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญานั้นได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วพอมองเห็นหลักในที่นี้จะขอให้สังเกตที่คำว่าศีลซึ่งยังมีความหมายที่ควรรู้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกตามที่เข้าใจและให้ความหมายกันทั่วไปศีลคือความประพฤติดีพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจา ที่สุจริตและเกื้อกูลตามความหมายนี้จุดสังเกตอยู่ที่ว่าเรามักมองศีลในขอบเขตของศีลพื้นฐานที่เรียกกันว่าศีลห้าซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจาในการอยู่ร่วมกันคือในความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันแต่ที่จริงความหมายของศีลไม่ใช่จำกัดแค่นี้ จุดสังเกตคือคำว่ากายวาจาและในความสัมพันธ์ทางสังคมกายและวาจาเป็นช่องทางแสดงออกช่องทางทำการทำกรรมคำพระเรียกว่ากรรมมะทวานแต่ทวามมีใช่แค่นี้ยังมีอีกความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจึงพวกหนึ่ง คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมแต่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีอย่างอื่นอีกขอให้ดูว่าแท้จริงนั้นทวารคือช่องทางติดต่อกับโลกมีสองชุดคือชุดที่หนึ่งกรร ม, มทวารช่องทางทำการทำกรรมมีสามคือกายทวารวจีทวารโนทวาร ศีลห้าเป็นเรื่องของการสื่อสารทำการต่อโลกข้างนอกจึงหมายเฉพาะกายทวารและวัีทวารชุดที่2ผัภาษาทวารช่องทางรับรู้เรียนรู้ได้แก่อินทรีหกคือจักขุหรือตาโสตะหรือหูคานะคือจมูกจิวหาคือลิ้น กายะคือกายและมนโนคือใจสิ่งแวดล้อมสองคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่หมู่มนุษ ย, ทยท์ทางพระหมายคลุมสัตววัโลกและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสัพพวัตถุทางพระหมายคลุมสังขารโลกในภาษาบาลี คำว่าสัตว์เป็นคำรวมเริ่มตั้งแต่มนุษย์มีมนุษย์เป็นแกนเช่นโพธิสัตว์มหาสัตว์ส่วนสัตว์ที่คนไทยมากมายถึงนั้นคำบาลีเรียกว่าดิรชานะคตะส่วนในภาษาไทยความหมายที่เพี้ยนในทางแคบลงคงสืบเนื่องมาจากคำหดในสมัยก่อนคนไทยพูดว่าสัตวดิรชานและไปไปมามาเหลือแต่สัตว์ แต่หมายถึงดีรัชานที่จริงดังว่าแล้วสัตว์หมายถึงมนุษย์ก่อนอื่นโดยในยะนี้การที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือกับโลกอย่างถูกต้องที่เรียกว่าเป็นศี น, นั้นจึงมีมากกว่าที่เข้าใจกันข้างต้นขอยกศีชุดหนึ่งซึ่งถือเป็นหลักสำคัญมาให้ดูมีสี่อย่าง เรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลสีศีลเป็นเครื่องทําให้บริสุทธิ์ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลถือเป็นหลักสําหรับชีวิตของพระภิกษุ 1. ปาติโมขะสังวรศีลศีลคือความเคร่งครัดหรือสํารวมในวินัยแม่บทใหญ่สําหรับพระสงฆ์คือประมวลสิกขาบท227แต่เมื่อพูดเป็นหลักกว้าง ท่านว่าคือกายสุจริตสาและวจีสุจริตสี่สำหรับคนทั่วไปพึงเทียบกฎหมายหลักของรัฐด้วย 2. อินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์รับรู้ดูฟังเป็นต้นโดยมีสติระวังไม่ตกไปใต้อิทธิพลความรู้สึกชอบชัง ถูกใจขัดใจเป็นต้นแต่รับรู้เรียนรู้ดูเห็นตามที่มันเป็นไปให้ได้ความรู้เข้าใจได้ปัญญาและเจริญกุศ ล, ลธรรมโดยนิยมให้ได้สัมผัสสภาพโรมนีและพัฒนาการรับรู้จนสามารถบังคับความรู้สึกให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณ 3. อาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริตชอบธรรมเช่นไม่หลอกลวงเข้าเลี้ยงชีพ 4. ปัจจัยบริโภคศีลศีลในการบริโภคปัจจัยสี่คือกินเสพ บ, บริโภคด้วยปัญญา จะรู้จักพิจารณาที่จะกินใช้ให้พอดีที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้ตามความหมายของสิ่งนั้นๆดังที่ท่านมักเรียกว่าโภชเนมัตัญยุตาคือความรู้จักประมาณในการบริโภคเช่นกินพอดีที่จะให้มีสุขภาพดีเพื่อมีชีวิตร่างกายที่เหมาะที่พร้อมในการศึกษาพัฒนาอริยมรรคไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งอาจเรียกเป็นปัจจัยปฏิเสวนาศีนคือศีลในการเสพปัจจัยสี่หรือปัจจัยสันนิสิตศีลคือศีลเนื่องด้วยปัจจัยสีในภาคจัด ก, การปฏิบัติของการศิกขาคือในตรายสิกขานั้นการมีศีลในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าด้านสังคมหรือด้านวัตถุธรรม ไม่ว่าจะทำกิจกรรมทางกายวาจาพูดจาทาการทั้งหลายไม่ว่าจะใช้อินทรีย์ตาหูดูฟังรับรู้เรียนรู้อะไรอะไรไม่ว่าจะกินใช้เสพบริโภคอะไรอะไรก็เป็นการสัมพันธ์กับโลกกับสิ่งแวดล้อมซึ่งดาเนินทยอยซอยแยกพร้อมพลกันไปรวมอยู่ด้วยกันในข้อสีนั่นเองแต่ในภาคการพัฒนาชีวิตของมรค คือมรรคภาวนานั้นดูพัฒนาการของความสัมพันธ์นั้นแยกออกไปได้เป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีหรือไม่อย่างไรเบียดเบียนหรือเกื้อกูลเป็นต้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาที่เรียกชื่อคงเดิมเป็นศีลว่าศีลภาวนาแล่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัตถุธรรมทั้งหลายหรือที่เวลานี้เรียกว่ากายภาพว่าอยู่เป็นกินเป็นไหมใช้วัตถุธรรมให้สมคุณค่าเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิตไหมใช้อินทรีย์เรียนรู้เสริมคุณภาพจิตพัฒนาปัญญาไหมชื่นชมโรมณีได้ปิติปราโมดไหมดังนี้เป็นต้นเป็นการพัฒนาที่แยกออกไปเรียกชื่อว่ากายภาวนา เป็นอันว่าศีลหรือเรียกเต็มว่าอธิศีลซึ่งเป็นข้อหนึ่งในระบบของสิกขาออกผลสำเร็จในปฏิบัติการให้เกิดการพัฒนาของชีวิตในระบบของมรคมองดูเห็นได้หรือวัดผลได้แยกเป็นสองด้านคือกายภาวนาและศีลภาวนาส่วนอีกสองสิกขาคือสมาธิ หรืออธิจิตตสิกขาและปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขาก็ทำให้เกิดการพัฒนาสองด้านซึ่งเรียกชื่อตรงกันเป็นจิตตาภาวนาและปัญญาภาวนาโดยในย่านี้ไรสิกขาก็ทำให้มักมีองค์8ดํำเนินก้าวหน้าไปในการพัฒนาของชีวิต4ด้านเรียกว่าภาวนาสี่ แล้วก็จึงใช้ภาวนาสีนี้เป็นแกนวัดผลการศึกษาของสิกานั้นว่าผู้ใดมีพัฒนาการเป็นภาวนาครบสีน่นี้ก็คือเป็นผู้จบการศึกษาเรียกว่าพาวิศหรือพาวิตตะคือเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเรียกตามนิยมว่าเป็นอรหรันต์สิกขาสาจึงมาจบที่ภาวนา4ีดังนี้ 1. กายภาวนาพัฒนากาย 2. ศีลภาวนาพัฒนาศีล 3. จิตตะภาวนาพัฒนาจิตใจ 4. ภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาบุคคลที่พัฒนาจบครบสี่ภาวนาดังว่านี้ก็เป็นภาวิสีคือหนึ่ง ภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้วเท่ากับมีกายภาวนา 2. ภาวิจศีลมีศีลที่พัฒนาแล้วมีศีลภาวนา 3. ภาวิต จ, จิตมีจิตที่พัฒนาแล้วมีจิตตภาวนาและสภาวิจปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วมีปัญญาภาวนา